Book two. 2ูแปยเวลามาฟัมอิะขันมาฟัมอิสระขันขอโทษค่ะยมุกฮุมสอยมุกฮุมสอ กี่โมงแล้วคะสหัสตรทับชกูกภาษาอุบสตรทับชกภาาอุบะขอบคุณมากค่ะทาวิับซอชวสอทาวิับซอชวะสเออมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาสหัสตรฤหัชหก สหัตหมันเป็นเวลาสองนาฬิกาสหัสต์สหตหมันเป็นเวลาสามนาฬิกาสตสามหตห มันเป็นเวลาสี่นาฬิกาสหัตุพิเอหกสหัตุพิเอหกมันเป็นเวลาห้านาฬิกาสหาตุทฟหกสหัตุทฟห ก, ฟหกมันเป็นเวลาหกนาฬิกา สหต์หัวสหัสต์ขหมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสหตบลหัวสหัสต์บหมันเป็นเวลาแปดนาฬิกาสหัสต์ยื้หั สัปดาห์ยี่หกมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาสัปดาห์บกหกสัปดาห์บกหกมันเป็นเวลาสิบนาฬิกาสัปดาห์พืหก มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสกหัตตรปสุกุฎหัตรปุกุหมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสกหัตตรปสกุตุหสหัตรปุกุตุห หนึ่งนาทีมีหกสิบวิ น, นาทีเซตกิกรนูปะปะหเกกรนปะปะโตชิชมาหูหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเซสฮัตุรตกิกโตชิชมาหูก หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงซมาฟรฟ์สัตโตลรมั่ห์ขซมาฟรฟ์สัตโตจระมั่ห์ข